สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบสามเรื่องความตายครั้งที่สามพนะของพระเจ้าอยู่ในธรรมยนต์บทที่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบสามผมอ่านจนถึงข้อที่สี่สิบสี่โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกหยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วย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 พระเยซูทรงสะเทือนพระไทยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถำ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมาสี่วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าขล้าแต่พระบิดาข้าโปรงขอบพระคุณพระองค์ที่โปรงทรงฝันข้าพระองค์พระพงษ์ทราบว่าพระองค์ทรงฝั่นข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ท่าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัส ด, ดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาสลัสเอย๋ยออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพี่ไอซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดพี่น้องครับ มีเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสะเทือนพระทยได้บันทึกไว้ถึงสองข้อด้วยกันในที่นี้ในขณะเดีวยวกันก็เป็นการบันทึกที่พูดถึงการสะเทือนพระทยที่นําไปสู่ความทุกข์และทรงพระกันแสงหมายถึงร้องไห้ครับในชีวิตพระเยซูมีการร้องไห้อยู่ไม่กี่ครั้ง อย่างน้อยก็สองครั้งนะครับพี่น้องครับเพราะจนะพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าการเสะเทือนพระไทยการร้องไห้การที่พระเยซูมีความทุกข์แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากถามว่าทำไมพระเยซูถึงเสะเทือนพระไถยและร้องไห้คำตอบมีอยู่อย่างน้อยนะครับ สีข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความรักที่พระเยซูมีต่อมนุษย์มีต่อครอบครัวนี้ที่พระเยซูสนสนมด้วยความสนิทสนมของพระเยซูกับผู้คนทั้งหลายปกติแล้วเป็นเรื่องราวของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์กายความสนิทสนมกับครอบครัวของมาธามารี และหลักสัตนี้เป็นความสนิทสนมที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเพราะเนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีความใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวนี้ค่อนข้างมากเพราะเหตุที่เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าในกรุงเยอเซมไม่ว่าจะเสด็จมาจากทางเหนือหรือเสด็จมาจากทางตะวันออกก็มักจะมาพักมาพูดคุยมา มีสมรรถครทมกับครอบครัวนี้สาวกของพระองค์ก็ล้วนแต่คุ้นเคยกับครอบครัวนี้พี่น้องครับเมื่อลาซาัสเสียชีวิตตายลงพระเยซูทรงพรกกันแสงครับความรักลึกซึ้งที่พระองค์ผูกพันกับลาซาัสทำให้พระเยซูกันแสงนี่เป็นสาเหตุประการแรกประการที่สองมองลึกไปกว่า น, นั้นพระเยซู ทรงทราบว่าค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายพระเยซูได้เห็นความตายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่โปรงรักโปร่งได้เห็นลึกลงไปกว่านั้นก็คือเพราะเหตุที่ความบาปความบาปที่เข้ามาในโลกความบาปที่มนุษย์ทำทาให้มนุษย์ทุกคนจะต้องตายแต่พระเยซูทรงทราบครับว่ามีวันหนึ่ง มนุษ์ทุกคนจะต้องเป็นเพ้่มีจิตความตายต้องฝืนขึ้นมาเพื่อที่จะรับการพิพากษาประเด็นที่สามก็คือพระเยซูกัรแสงเพราะเหตุที่ตรงเป็นทุกข์เนื่องจากพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อช่วยปลดความทุกข์ยากลาบากปลดคาดจา้่งของความบาปน่าเสียดายเสียใจครับที่บางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสี และดูสีพวกธรรมจาร์พวกคนหน้าซื่อใจคดพวกคนที่ปฏิเสธพระเยซูเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลื อ, อ น, นี้และประการสุดท้ายครับก็คือเมื่อพระเยซูมองที่จุดหมายปลายทางของชีวิตของคนที่ไม่เชื่อพระเยซูพวกเขาจะต้องได้รับโทษนิรันด์ในคาว่าโทษนิรันด์นี้ก็คือความตายนิรันด์ที่แยกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในบึงไฟนรก เมื่อเห็นเดสตินีหรือจุดมุ่งหมายปลายทางชะตาชีวิตของผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อศรัทธานในพระองค์พระองค์ก็ท่งสะเทือนพระไทยเช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่างน้อยมีสี่ประการนี้นะครับที่พระเยซูท่งสะเทือนพระไทยและท่งกันแสงสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าภาษาเดิมคือภาษากรีกในข้อสามสิบสามนะครับการที่พวกยิว มาปรอบโยนภาษากรีกที่แปลว่าร้องไห้ภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าร้องไห้ค้าครวนครับนะครับคือคลอนทัสคล o n อนทัสนะครับก็คือร้องไห้ค้าครวน K L A I O N T A S คลาอนทัสนะครับแปลว่าร้องไห้ค้าครวนแต่คำว่าร้องไห้ที่ใช้กับพระเยซูนั้นก็คือ ida c e r y s e s e n ida c r s e n e d a k r y s e n เป็นการหลังน้ำน้นำตาแบบเงียบเงียบพระเยซูทรงหลังน้ำตาแบบเงียบเงียบโปรงไม่ได้ร้องไห้ก้มครวนพี่น้ครับเหตุการณ์ต่อไปเมื่อพระเยซูเสร็จไปถึงอุโมงค์ฝังศพก็คือถ้ำที่ขุดจากหินปูนนะครับ ส่วนนี้แล้วภูเขาในปาเลสไตน์นั้นเป็นหินปูนเปียร์ชูสั่งให้คนเลื่อนก้อนหินที่ปิดปากถ้ำออกมาทากล่าวแทรกมาในข้อสามสิบเก้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมาสี่วันแล้วคนตายอยู่กับคนเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับเปียรชูตรัสว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ครับว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า หลังจากนั้นพวกประชาชนก็กลิ่งหอกก้อนหินออกจากปากอุโมงค์พระเยซูทรงแหงนพระพักขึ้นมองดูฟ้ากล่าวกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาพี่น้องครับที่นี่พระเยซูถวายเกียรติแด่พระบิดาเราจะเห็นพระเยซูถวายเกียรติแด่พระบิดาเสมอพระเยซูอธิษฐานเสมอ พระเยูพูดกับพระบิดาเสมอรพระเยซูเคยกล่าวว่าพระบิดาจะให้เกียรติพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเพียงกับชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับเราต้องให้เกียรติพระเจ้าเสมอเราให้เกียรติพระเยซูเสมอเมื่อพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วรองค์ก็เปล่งพระเสวะเสียงคำว่าเปล่งพระเสวะเสียงหมายคําว่าเสียงที่ทรงไว้ด้วยฤทธานุภาพฤทธิอนานาจสูงสุดบอกว่าลาสัสลัสเอย๋ยจงออกมาเถิด ลักษณะก็ออกมาจากอุมโมงมีผ้าพัานมือและพันเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพัานด้วยพระเยซูบอกว่าจงเอาผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดที่น้องครับความตายนั้นผูกมัดชีวิตของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่มีมนุษย์เป็นต้นมาแต่พระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยเอาสิ่งที่ผูกมัดรัดชีวิตของเราก็คือความตายนั้นออกไป น้องครับนี่คือสิ่งสูงสุดที่พระเยซูได้ทรงกระทำํำแต่เมื่อคนหนึ่งคนใดรับเชื่อพระเจ้าเขาได้รับการปลดปล่อยไปแล้วในทางกลับกันครับคนหนึ่งคนใดที่ไม่เชื่อพระเจ้าจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตลมหายใจสุดท้ายเขายังไม่เชื่อพระเจ้าพระเยซูทรงสะเทือนพระทยัยพระเยซูทรงกันแสงพระเยซูเสียใจครับที่มนุษย์ หนึ่งดวงวิญญาณหนึ่งชีวิตจะต้องจบสิ้นลงในบึงไฟนรกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความกระจึอรือล้นในการประกาศข่าวประเสริฐในการนำวิญญาณมาถวายพระเจ้านาวิญญาณขึ้นสวรรค์นำให้มนุษย์ที่ควรจะพินานั้นมีชีวิตนิรันดร์อาเมน